ละตัหาก็ใช้ตันหาได้แต่ไม่ไวายต้องระวังส่วนตันหาที่ว่าให้ละเสียณที่มันเกิดหรือถอนทิ้งเซตทีเดียวนั้นเป็นหลักการทั่วไปแต่ในทางปฏิบัติท่านก็ยอมรับความอ่อนแอความเคยชินและความไม่พร้อมต่างๆของปุตุชนเหมือนกันดังนั้น จึงเกิดมีวิธีปฏิบัติตามข้อสรุปประการที่สามซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นคือเอาตันหาไปใช้ประโยชน์ทำให้เกิดผลในทางที่ดีงามตามตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ในบาลีการเอาตันหาไปใช้ประโยชน์นั้นสามารถใช้แม้แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดคือเพื่อบรรลุนิพพานโดยเกิดเป็นหลักการย่อยลงมาว่าพึงอาศัยตันหาละตันหาดังข้อความที่พระานนท์ กล่าวกับภิกษุณีรูปหนึ่งที่หลงรักท่านว่าแน่น้องหญิงข้อที่เรากล่าวว่ากายนี้เกิดจากตัณหาพึงอาศัยตัณหาลาเสียซึ่งตัณหาดังนี้เราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวในข้อนี้ภิกษุได้สดับข่าวว่าภิกษุมีชื่ออย่างนี้ได้ประจักษ์แจ้งโดยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันทีเดียว ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเข้าถึงอยู่ดังนี้เธอจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไรเล่าหนอแม้เราก็จากระจักแจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้าถึงอยู่บ้างดังนี้การต่อมาภิกษุนั้นอาศัยตัณหาละตัณหาได้ อัตกถาอธิบายว่าตันหาของภิกษุนั้นในกรณีนี้เป็นกุศลและตันหาสาระของข้อความนี้มีเพียงว่าภิกษุได้ยินข่าวว่าภิกษุอื่นบรรลุอรหัตผลก็อยากบรรลุอรหัตผลบ้างหรือได้ยินว่าภิกษุอื่นได้เป็นพระอรหันต์ก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้าง ความอยากของภิกษุนี้มีลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าเป็นตันหาคือภาวะอรหัตผลหรือความเป็นพระอรหันนั้นเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในที่ต่างหากจากเธอและมีตัวเธอที่อยากจะเข้าครอบครองเป็นเจ้าของหรือเข้าไปอยู่ในภาวะนั้นการเอาตันหามาใช้ในกรณีอย่างนี้จัดว่าเป็นอุบายคือวิธียักยืงนาเข้าไปใหถึงจุดหมาย เป็นวิธีเล้าล่อให้กระทาการที่เป็นเงื่อนไขเมื่อบุคคลที่ถูกเล้าล่อเรื่มงกระทาการที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็จะต้องใช้โอกาสในระหว่างนั้นค่อยๆสร้างความรู้ความเข้าใจให้เขาเกิดความรักความซาบซึ้งในภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทานั้นโดยตรงจนเขาเกิดชั้นทาขึ้นเองอีกชั้นหนึ่งและเขาก็จะเปลี่ยนแรงจูงใจและพฤติกรรมของเขาเอง ถ้าทำได้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นความสำเร็จและจัดเป็นการศึกษาอบรมได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเปลี่ยนจากตัณหาให้เกิดเป็นฉันทะไม่ได้ก็กลายเป็นความล้มเหลวบางครั้งผลที่เอามาเ้าล่ออาจเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลของการกระทานั้นโดยตรงเช่นเมื่อพระนันทะอุทธะอนุชาผนวดแล้ว เกิดความคิดถึงคู่รักเบื่อนายพระมจรรันทร์คิดจะศึกพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงพาไปเที่ยวชมนางฟ้าจนพระนันทะหายคิดถึงคู่รักเกิดความอยากได้นางฟ้าแทนพระพุทธเจ้าถึงตรัสรับรองเอาพระองค์เองเป็นประกันว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าโดยมีเงื่อนไขว่าพระนันทะต้องตั้งใจพระพุทิพรมจรรันทร์ และเมื่อพระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ตามเงื่อนไขแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในการนำพระนันทะก้าวหน้าต่อไปซึ่งในที่สุดเธอก็ได้บรรลุอรหัตผลวิธีการอย่างนี้เรียกอย่างสามัญก็คือการล่อ ด, ด้วยรางวัลแต่ไม่ปรากฏว่าท่านใช้วิธีนี้บ่อยท่านคงใช้เมื่อจำเป็น ในเมื่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆกำหนดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดและคงใช้อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงผลติดตามตัวอย่างวิธีอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเช่นบอกให้เด็กกวาดถูเรือนแล้วจะให้รางวัลหรือบอกลูกว่าอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้จบแล้วจะซื้อของนั้นนี้ให้การกระทาอย่างนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมผู้ทำจะต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบโดยคิดเตรียมไว้แล้วว่าจะชักจูงเด็กเข้าสู่ความมีชันทะได้อย่างไรไม่ใช่สักว่าทำพอผ่านๆอย่างน้อยเริ่มแรกผู้มีความรับผิดชอบย่อมทำเช่นนั้นโดยมีความหวังว่าเมื่อล่อให้เด็กเริ่มกวาดถูหรืออ่านหนังสือแล้วเด็กอาจจะค่อยๆเกิดความรู้สึกรักความสะอาด หรือรักความรู้ขึ้นมาได้เองจากการได้เห็นผลดีที่เกิดจากการกระทำนั้นแต่ทางที่ดีผู้ล่อเราควรใช้โอกาสระหว่างนั้นช่วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้เด็กใช้โยนิโสมนสิการในทางที่จะเข้าใจคุณค่าของความสะอาดและความรู้จนเกิดความรักความซาบซึ้งชอบความสะอาดหรือฝ่ายความรู้เกิดมีฉันทะที่จะกวาดถูหรืออ่านหนังสือได้เอง โดยไม่ต้องเป็นเงื่อนไขเพื่อรางวัลอีกต่อไปวิธีใช้ตันหามาชักจูงหรือเป็นปัจจัยแก่ฉันทะอย่างนี้ถ้าฉันทะเกิดจริงก็ดีไปแต่ถ้าฉันทะไม่เกิดก็กลายเป็นความล้มเหลวและกลับเกิดผลเสียมากยิ่งขึ้นเพราะเท่ากับไปร้าตันหาให้ขยายตัวเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดี และเท่ากับเอาเชื้อแห่งปัญหาและความทุกข์ไปใส่ไว้ในชีวิตของเด็กซึ่งจะขยายผลร้ายไปถึงสังคมด้วยโดยอาจกลายเป็นว่าจะมีแต่คนที่รอเอารางวัลถ้าไม่มีอะไรล่อก็ไม่ยอมทำความดีผู้จะใช้วิธีการเช่นนี้จึงต้องระมัดระวังคิดเตรียมการเพื่อผลที่ประสงค์ไว้โดยรอบครอบจนมั่นใจว่าจะต้องสาเร็จ จะเอาใจใส่คอยช่วยอยู่ตลอดกระบวนการจนกว่าผลสำเร็จคือความเกิดขึ้นแห่งฉันทะจะปรากฏอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนแห่งบทบาทของตัณหาและฉันทะนักศึกษาคนหนึ่งเลือกเรียนวิชาแพทย์ เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีรวยเร็วถ้าคนนึกเพียงในแนวของการมตัญหาเท่านั้นก็อาจจะเรียนพอสักว่าให้สาเร็จตามเงื่อนไขได้ใบสาคัญออกไปประกอบอาชีพหรือเพราะเหตุที่เขาไม่ตั้งใจเรียนเขาอาจทนความอยากไม่ได้รอไม่ไหวออกไปเสียในระหว่างแต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดเขามองเห็นเหตุผลต่างๆว่าเมื่อจะไปเป็นแพทย์ ก็ควรจะเป็นแพทย์ที่ดีมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถมากเขาอยากเป็นหมอที่ดีที่มีชื่อเสียงประสบความสาเร็จด้วยความคิดแนวภาวะตัญหานี้เป็นเงื่อนไขให้เขาต้องตั้งใจเรียนจริงจังความเป็นหมอดีในแง่ของความมีชื่อเสียงได้รับยกย่องของภาวะตัญหานั้นไปสัมพันธ์เข้ากับความเป็นหมอดีที่เป็นภาวะดีงาม และที่เป็นอุดมสภาวะของความเป็นหมอซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของฉันทะฉันทะอาจเกิดขึ้นและช่วยส่งหนุนให้เขาตั้งใจศึกษาหาความรู้ความชำนาญในวิชาแพทย์อย่างจริงจังหรือในขณะที่ตั้งใจเรียนตามเงื่อนไขของภาวะตัณหานั่นแหละเขาเกิดความรู้สึกความเข้าใจซาบซึ้งในคุณค่าของความรู้และงานแพทย์ เขาเกิดชันท h a กลายเป็นผู้รักการเรียนและการฝึกฝนในวิชาแพทย์อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามนักศึกษาผู้นี้เมื่อเรียนสำเร็จได้ปริญญาแพทยาศาสตร์พร้อมด้วยความรู้ความชำนาญที่จะให้เป็นหมอที่ดีมีความสามารถแต่เขายังอาจจะมุ่งไปหางานหรือแสวงแต่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งจะทำให้ได้รายได้มากที่สุดหรือจะให้เด่นดังได้ง่าย นักศึกษาอีกผู้หนึ่งเห็นเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนร่วมชาติจํานวนมากยังได้รับทุกทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บมากมายมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เกื้อกูลแก่สุขภาพเขาอยากรู้วิธีแก้ไขและทำการแก้ไขสภาพเช่นนี้เขาอยากช่วยเหลือเขาอยากเห็นคนทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหน้าตาเอิบอิ่มแจ่มใส อยากเห็นบ้านเมืองร่วมเย็นเรียบร้อยเดิมโรงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเขาจึงเลือกเรียนวิชาแพทย์ด้วยชันทะที่สแสดงออกทางกาุณาด้วยความคิดเริ่มต้นเช่นนี้เขาก็มีชันทะตั้งใจเล่าเรียนฝึกฝนให้รู้และชำนาญตรงจุดที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้คนอย่างที่คิดไว หากเขาสามารถดำรงรักษาชันท่านี้ให้สืบเนื่องอยู่ได้ตลอดพระนสําสำเร็จแล้วเขาก็เลือกงานหรือตำแหน่งหน้าที่ที่จะทำให้เขาทำงานแก้ไขสภาพขาดอนามัยและช่วยเหลือคนให้พ้นจากโรคภัยได้ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงรายได้และชื่อเสียงหรือไม่คำนึงมากนัก